สวัสดีเรามีเกล็ดธรรมะเพื่อทช่ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังฟังกันสั้นๆแล้วเราจะได้จำได้สำหรับในวันนี้ก็จะได้พูดถึงว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าโลกเราเนี่ยเรียกว่าวัตฏสงสาร คำว่าวัฏฏะสงสารนั้นคงจะแปลง่ายๆวัฏฏะแปลว่าความหมุนเวียนความหมุนเวียนเหมือนกองจักรอย่างนี้ก็เรียกว่าหมุนเวียนสังสารีสังสรรตานังก็หมายความว่าเวียนไหวตายเกิดคำว่าพวกเราเวียนไห้ตายเกิดนั้น เราก็จะเห็นว่าร่างกายของคนเราเนี่ยพอตายแล้วก็หมดความหมายเน่าเหม็นเอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่ได้เหม็นต้องเอาไปเผาไปเผาไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เหลือแต่กระดูกเหลือแตกกระดูกก็ไม่มีอะไรจี่น้าไฟลมอย่างเนี้ยแล้วก็ส่วนใจนั่นไม่ได้เป็นเช่นนั้นใจนั้นก็จะต้องเรียกว่า เ, เวียนไหตายเกิดเพราะฉะนั้นใจดวงนี้ดวงเดียวของเรานี่แหละก็จะต้องไปเพราะว่าใจไม่มีที่สิ้นสุดก็<ม>จะต้องไปเกิดตามที่ต่างๆเราหวนระลึกไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าแต่ที่พระองค์จะมาตรัสรู้นั่นพระองค์เวียนไหตใจเกิดไปถึงสี่อักษไขแสนกับ เรานั้นเวียนไหวตายเกิดมาอาจจะต้องมากกว่านั้นแต่เรายังไม่ได้ตัดสู้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการจะตัดสู้ก็จะต้องหันเข้ามาพึ่งพระธรรมหมายความว่าเราไม่อยากจะเวียนไหวตายเกิดเราก็จะต้องมาปฏิบัติพระธรรมอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้มาทาสมาธิสมาธิก็คือการปฏิบัติพระธรรม ทำไมสมาเทจึงเป็นการปฏิบัติพระธรรมก็เพราะว่าสมาธินั้นต้องมีกายต้องมีใจเมื่อมีกายมีใจรับรู้แล้วก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมทำสมาธิกันเมื่อทาสมาธิกันก็เถอะก็ว่าเราเริ่มเข้าหาขนทางเริ่มพัฒหาขนทาง ถึงแม้ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดก็จะต้องมีที่สิ้นสุดเพราะเราได้เริ่มหนทางแล้วเพราะฉะนั้นใครอย่าไปประมาทว่าทำสมาธิมันเป็นเรื่องเล็กน้อยสมาธินี่มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เมื่อสมาธิก่อตัวมากเข้ามากเข้านี่มันจะเป็นพลังพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่มากสามารถที่จะตัดกรรมตัดเวนสามารถที่จะตัดภพตัดชาต สามารถศิจบรรลุมรคนิพพานอะไรอย่างเนี้ยแต่ที่นี่เมื่อยังไม่ถึงการบรรลุเราก็ใช้สมาธิเป็นเครื่องอยู่ประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่เรามีครอบครัวการที่เราธรมมหาเรียงเีพตลอดจนกระทั่ ง, ง, ง เ, รเราพากันทำการทำงานาาการราชการ อะไรใดต่างเหล่านี้ที่เราพากันทาอยู่นี้ก็ถือว่าเราเมีาการครองเรือนแล้วก็ยังต้องอยู่ในภพในชาตินี้ต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ควรที่จะให้ภพชาติของเราที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดนี่อย่าให้เป็นทุกข์จนเกินไป สามารถที่จะทำให้เรามีความสุขในตามฐานะนุรูกตามฐานะแต่การที่จะเป็นเช่นนั้นได้นั้นเราต้องบาเพ็ญการกุศลที่ท่านเรียกบททานศีลภาวนาแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราได้ทำสมาธิแล้วนั้นมันก็จะเป็นที่รวมเขาเรียกว่าเป็นที่รวมของบุญวาสนาปรเม จะมารวมกันอยู่ที่สมาธินั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการเทเราปฏิบัติธรรมก็หมายความว่าก็มาปฏิบัติสมาเิก็จะถือว่าเราจะเริ่มเข้าหนทางถ้ายังไม่เป็นเช่นนั้นก็เรียกว่ายังไม่เริ่มเข้าหนทางก็ยังมองไม่เห็นที่สุดว่าจะไปถึงตรงไหนแต่เมื่อมาทำสมาธิแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นหนทาง เมื่อเร่เหมือนหนทางถ้าเราพยายามไประยะทางมันก็สั้นเข้าสั้นเข้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเราหันหน้ามาทาสมาธิกันเพื่อที่จะได้เป็นหนทางที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้หยุดวัฏจัสงสารนี้เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคล มีความไม่ประมาทแล้วก็มาเข้าใจในเรื่องของการทำสมาธิได้แล้วบุคคลพวกนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีในชีวิตสวัสดีสาธุ